เราบวชเป็นพระเป็นเนนและบรรดาท่านอย่างหลายขาดเจรความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วคําว่าขาดในที่นี้หมายคุงว่าเราเป็นสายกยบุตรพุทธจีโนรถเป็นลูกพระพุทธเจ้าความเป็นพ่อเป็นแม่พักไว้ชั่วคราวแต่ไม่ใช่ว่าเราอกตัญญูไม่รู้คุณเจริญการที่มาอยู่ในขอบเขตเขาเป็นพทธศาสนนาเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นครวาว่ เป็นญาติเป็นโยมของพระเพืาา่นทราบว่าพระลูกพระหลายของท่านจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเท่านั้นไม่ใช่ไปรับฟังคําแนะนําของท่านที่ผิดธรรมผิดวินัยระเบียบบรรใดถ้ามันปรากฏว่ามีอยู่แล้วเห็นมันลูกชายของท่านปฏิบัติผิดช่วยกันแต่กันเตือนนั้นมันเจือสมควร ไม่ใช่ว่าถูกครูบาอาจารย์หรือ ว, ว่าท่านเพื่อนซาทำมิกเดียกันว่ากล่าวตักเตือนและเป็นที่ไม่ถูกใจลูกชายไปฟ้องแล้วก็โกรธอย่างนี้มันเป็นโทษควรถอนตัวออกจากเคของพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องการคนประเภทนี้เคของเราถึงแม้ว่าจะมีเพียงคนสองคนเราก็พอใจขอให้เป็นคนดีเท่านั้น เราไม่ต้องการปริมายคนมากแต่มีความเร็วคนเร็วถ้ามีมากเท่าไหร่ก็กองความเร็วมากเท่านั้นมันจะมีแต่ความเดือดร้อนนี่ระบรรดาท่านพุระตถาคตที่ท่านนั่งหลายประกาศตัวเป็นสาวกข้อองสมเด็จพระชินวร์แต่ว่าที่ท่านไปลมัดระวังหรือว่าหวงแหนลูกหลานของท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ทำตัวเป็นลิงหลอกเจ้าแล้วก็มีคนเขาว่าเขาแล้วก็เด็ดร้อนโตรธเขาอย่างนี้มันไม่สมควรนำเอากลับบ้านไปเสียที่เขตของพระพุทธศาสนาต้องการอย่างเดียวคนที่มีความปราถนาดีถ้าดีไม่พอกลับเข้ามาปฏิบัติตามพระธีไหนมันก็จะดีกั น, นเองการบวชในพระพุทธศาสนาจะบวชเป็นพระก็ตามเป็นลิงก็ตาม หรือว่าอมบาสุกอมบาศิกาทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจงทําใจอย่างพระปฏิบัติเยี่ยงพระตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่พูดนี้ไม่ได้พูดจะเพาะคะจะพอนเนนคนทั้งหมดต้องปฏิบัติตามด้วยช่วยกันสร้างความดีถ้าปฏิบัติไม่ได้ลาออกจากเขตขององค์สมเด็จพระจอมไตรไปไม่มีใครเขาว่า มีความคุณธรรมความดีของพระสงฆ์ป่าหุนนโยกเป็นผู้ควรการต้อนรับนีถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นธรรมก็ควรการต้อนรับไปไหนก็มีควรการต้อนรับไม่เสียเข้าเสียของเขาเปล่าไม่ใช่กินแล้วก็เสียเปล่า เราไปไหนเรานําธรรมะไปนําความสุขไปให้เขานั่ น, นําความเจริญไปให้แก่สถานที่แต่อย่าลืมนะว่าการสร้างความดีนี่มันมีอุปสรรคดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามันได้ก็ถูกมาระรานเท่ากับตายเมื่อเป็นแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ถูกกั่งแกล้ ง, ลงตลอดแม้แต่วันใกลพ้นิพาน นี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระิชิตามานอย่าลืมเรื่องนี้มันจะต้องถึงเราอยู่ตลอดเวลาทำใจให้สบายปฏิบัติตามตนตามจารณะสิบห้าที่จะพูดในวันต่อไปถ้ากินในโยเป็นผู้ควรจงกรองทาบุญนี่ทาบุญศูนย์เปล่าเขาว่าอย่างนั้น แต่ว่าทาบุญแกนคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ศูญเอาวัตถุมาให้ได้ความดีไปเอาของหยาบมาให้ได้ของละเอียดไปเอาของที่มีค่าน้อยมาให้ได้ของที่มีค่ามากไปเอาของที่จะพังได้เสียได้มาให้ได้ของที่ไม่พังไม่เสียไปคือบุญ บุญได้กาความสุขหรือว่าบุญดนกาความดีบุญคือความสะอาดของจิตถ้าจิตสะอาดตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วบรรดาเ พ, เพื่อนเพื่อนสาธริรมิกทั้งหลายมันจะมีแต่ความสบายไม่มีความทุกข์เวลานี้เรากำลังถูกมรสุมอย่างหนัก มารสมทางกายมารสมทางใจคือร่างกายของเราหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ร่างกายมีแต่ความแปรปรวนร่างกายมีแต่โรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าตรึงกล่าวว่าร่างกายเป็นโรคณิทางคือมันเป็นรังของโรคปั้บพังคนนัง่งมันจะต้องเปิยเ น, น่าอาการไข้ต่างๆมาเบียดเบียนเรามีทุกขเวทนาสาหัส ขอยมิดาท่านพุทธบริษัททั้งพระทั้งเนนุบาสกคุบาสิกาจงยาหวั่นไหวในภัยทั้งหลายทําใจให้สบายถือว่าเรื่องธรรมดาความเกิดมีขึ้นมันก็มีความแก่แล้วก็มีความตายไปนในที่สุดอะไรเถิดสาหะอะไรากับภัยทั้งหลายคือมรสุมที่เกิดทางกายและทางใจไม่ใช่คงแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรสุมภายนอก ที่ปลายกฎมีในปัจจุบันคือคําว่าปัจจุบันในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่พูดแต่แล้เกิดมาลืมตายเห็นโลกอลไยปัจจุบันมีเมืันนั้นยันตายก็เรียกว่าปัจจุบันเราไม่มีอดีตเราไม่มีอนาคตเรามีแต่ปัจจุบันความดีความชั่วเราจะทําแล้วก็ทําในปัจจุบัน ผลของความดีผลของความโชคที่เราจะเพิ่งรับก็รับในปัจจุบันอนดีตที่แล้วมาเรานำมาได้ไหมอานาโคตียังไม่ถึงดึงเข้ามาถึงก่อนได้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นอันว่าเราเกิดมาแล้วนี้มีปัจจุบันอย่างเดียวมีการเป็นผู้ควรกับการทำบุญก็หมายถึงว่าการไม่หวนไหว ในโลกกระทำทั้งแปดรายการยายึดโลกธรรมวางซี่มันเป็นแดงของความทุกข์ร่างกายเป็นภัยในการของโลกเป็นภัยโลกกระทำทั้งแปดรายการเป็นภัยเราจงยาหวั่นไหวในโลกธรรมเราจงทํานลงว่า น, นี้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกของอรชีที่ไม่มีความอายแต่ความชั่ว ที่ทำตัวเฉพาะในบาปอากุศลเราเป็นลูกขององค์สมเด็จพระทศพลจงยิงในความดีแต่ว่าจะยิงไปเดียดยามใครเขาจะเอาความดีเข้าไปเดียดยามความชั่วคือกิเลสยิงภายในไม่ใช่ยิงภายนอกภายนอกยินีลาลีลาให้ดี อาค้าเข้ามาก็ดีโลภค้เข้ามาก็ดีโทสะเข้ามาก็ดีแล้วก็หยิงไม่ยอมรับมันเถียบอกนายเป็นปัจจัยของความทุกข์ฉันไม่เอาเลยจ้ะแม้แต่ขันห้าดีฉันยังครองฉันยังไม่เอาเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งอัญชลีกรณีโยโเป็นผู้ควรในการกราบไหว้บูชา นี่ความดีที่ปฏิบัติมาตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าทำได้ปันจึงจะเป็นการสมควรแล้วก็อนุตรางบุญญาเขตต่างโลกัสะพระสงฆ์หรือว่าดาท่างพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสแต่ถ้าว่าเป็นพระอรียเจ้าพระพุทธเจ้าจึงกลีปกพระท่านถือว่าเป็นบุญญาเขตคือเป็นเขตบุญของชาวโลก เกืดอนชาวโลกจะได้บุญคือความสุขหรือความสอายของจิตอยู่ที่เราปฏิบัติดีรือปฏิบัติชั่วทำตัวสมควรแลือไม่สมควรสำหรับวันนี้เวลามันก็จะหมดแล้วขอย้ำเตือนไว้เป็นการเป็นการสุดท้ายปลายวันคือเฉพาะเย็นวันนี้ ว่าทุกท่านจงทรงความดีตามคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก้าวไิการตามที่กล่าวมาเราทําได้ไม่จะทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรสมบัติแล้วเราทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อพระองค์บรรลุแล้วมาสอนให้เราทําตามทรงพิจารณาแล้วว่าพวกเราทําได้แต่ว่าว่าท่านนั่งหลายคิดว่าท่านนั่งหลายจะทําไมได้ก็เป็นหน้าที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ว่าการบวชเข้ามาก็ดีการเข้าอยู่ในเขตเขงศาสนาขององค์สมเด็จไปจินยาสีจะกลายเป็นผู้หลอกบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงไปจะเป็นการทำลายศรัทธาทำลายพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับอาบรวดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนสาธรรมิทานหลายสัญญาบอกัญญาบอกหมดเวลาสี่สิบห้านาทีปรากฏแล้วต่อไปนี้ไปก็ขอุติคาแนะนาสาหรับวันนี้ไว้เด็เพียงนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี เพื่อนแท้ธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเสียงธรรมวัดสวดมนต์ผ่านไปแล้วเป็นความดีไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เราจะประรบพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จระบาทิพยกแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> แล้วเราก็ถวายความเคารพเสียก่อนนี่มันเป็นความดีไหมท่านนั่นหลายจะเห็นดีหรือไม่ดีแต่ได้ว่าอาตมาในฐานะที่เป็นสาวกข้ององสมเด็จไปรินาสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรดา น, นักพรตทั้งหลายที่เขาติดโลกเราทำเขาไม่อยากจะคบเห็นว่าดี ทีอาจจะมาพูดอย่างนี้พะอะ่อให่พราะว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีท่านบางท่านเอากล่าวว่าอาจจะมาปฏิบัติตนแบบนั้นจะต้องผูกคอตายเข้าว่าอย่างนี้ <c oughs> พ <c oughs> อ่อใหญเพราะว่าปฏิบัติไม่เหมือนเขาเพราะธรรมวินัยเราถือเป็นสรณะนะ เตอรบทบัญญัติใดๆที่เขาสร้างกันขึ้นมาใหม่และเขาไม่ปฏิบัติตามเราไม่ถือเป็นศาสนาพระธรรมาไม่ถือพวกไม่ถือพ้องถือไปอิสระคือถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสําคัญการที่ถือแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเห็นชอบด้วยไหมหรือว่าท่านอยากจะตั้งใจให้ธรรมมาโกงพวกท่าน เร่องอะไรมาแล้วไม่ทําบอกบุญมันแล้วไม่ทําจ่ายน้อยบอกว่ า, บ อ, วาบอกว่าทํามากธรรมะวินัยอันใดเขาองค์สมเมด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าไม่ปฏิบัติแต่ว่าถ้าว่าเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาหาทําท่าเหมือนเป็นคนเคร่งครัดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชอบไหมล่ะ ถ้าชอบอย่างนั้นอาตมาก็ขออนุญาตเข้าป่าแจตมาทำแบบนั้นนะทำไม่ได้ขึ้น่ีว่าโลกกระทันหันหลายองค์สมเด็จเพรจอมไตรบรมศาชสัญดาสมมาสมพุทธเจ้าไม่ทรง ส, สรรเสริญทรงแนะนำให้มันดาพุทธสาวกท่าหลายวางโลกกระทัมคือธรรมจัประจำโลกเสียคือหนึ่งเมาในลบ สองเสียใจมันลาบสลายตัวไปสามเมาในยศถามมันดาศักดิ์สี่เสียใจเมื่อไม่ได้เลื่อนยศและยศสลายตัวไปห้าเมาในความสุขที่เป็นการมัสุขคือลาบยศสนเสริญสุกุณีเมาในเรื่องนี้เมื่อเรามีความสุขประเภทได้รับของสิ่งนี้เข้ามาเราก็ดีใจหเสียใจในเมื่อ ความทุกข์เข้ามาถึงแล้วก็เจ็ดดีใจเมื่อรับคำสรรเสริญแปดไม่พอใจไม่รับคำนินทาโลกก็ทำดังแปดรายการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นธรรมประจําโลกท่านใ น, นบรรดาพุทธบริษัทที่เป็นสาวกของท่านโยนทิ้งไป นี่าตามนี่องค์สมเด็จไพจอมตรายสอนให้ทําอย่างนี้เพื่อเพื่อความสุขที่ในหนึ่งเรากล่าวกันว่าเพื่อพระนิพพาน <c oughs> องค์สมเด็จพระิชิตามาลมีความต้องการอย่างเดียวในเมื่ออาตมาไม่ครบกับโลกธรรมทั้งแปดระการไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแประการ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่ามีบางท่านเห็นว่าตามานิพพานเกินไป ไม่เข้าไปเมามายในโลกการทำเขาบอกว่าจะต้องผูกคอตายแต่ความจริงอาตมานี่มันตายแน่ไม่ต้องผูกคอมันก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าถึงจะตายด้วยกรณีการผูกคอตายก็ตามหรือจะตายเองก็ตามถูกใครก็าฆ่าตายก็ตามก็ยังคอยึดแนละ้วก็ทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นสัญญาจะยึดถือ่อนธรรมวินัยเป็นสําคัญ ต่อจานี้ไปเรามาพูดกันถึงระเบียบภายในเวลานี้มันเป็นเวลาเย็นหลังจากทาวัดสวดมนต์แล้วเราก็ฟังวนกันไปวนกันมาขึ้นตนด้ยวยอนาจพระพุทธคุณนี่ก็สังเอนคุณคื อ, ค, อคือว่าคุณของพระสงฆ์ถ้าท่านยังหลายเข้ามาอยู่ในเขตนี้ต้องถือตัวว่าท่านเป็นพระสงฆ์ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นพโยคาวจรทั้งพระทั้งเนรและทั้งขาวาัตถุผู้หญิงผู้ชายพระพุทธเจ้าเรียกพระทรรมนั้น <c oughs> พระแปลว่าผู้ประเสริฐต้องทําใจให้ประเสริฐพระแปลว่าสงบเอสมณะแปลว่าสงบคือสงบจากความชั่วต้องทําใจให้พ้นความชั่ว ที่ขูแ่แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารต้องเห็นภัยในสงสารจริงๆอย่าไปยึดเอาสงสารเข้ามาไว้คือโลกกระทเราจงอย่าถือหมู่อย่าถือคณะถ้าพวกเราก็ทำแบบนั้นเราต้องทำตามเขาถ้าพวกแล้วเราทิ้งไม่ได้อันนั้นไม่สมควร <c oughs> เรายังถือบทบัญญัติตัวเดียวคือพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่ได้บวชเข้ามาหรือไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเพื่อหมู่คณนะนี่เรามาปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในการถือหมู่ถือคณะเป็นสําคัญยิงจัดว่าเป็นกิเลสใช้ไม่ได้จะเป็นเหตุให้เราลงอาบายภูมิกนณีการที่เราจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาเมื่อวันวานนี้ จบลงไปกล่าวถึงคุณธรรมขององค์สมเด็จพระจินสีที่เราจะต้องปฏิบัติตามได้ <c oughs> และผลที่เราจะพึงได้ก็คือสุปปติปั น, นโยายานอุชุปฏิปันโนยายะปฏิบันโนสามีจิตปฏิบันโนแล้วก็อาหุนโยปาหุเนโยทักกินโยอัญชลีกัลนิโยถ้าแปลไม่ออกก็คอยฟังบันต้นที่มันเราหมุนไปจะเข้ามาถึงใหม่ นี่การเข้ามาในาศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลในเบื้องแรกนอกจากพระวินัยแล้วหรือก่อนเยียเข้ามาอยู่กันจริงๆต้องตั้งใจแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคือจรณะสิบห้าที่กล่าวมาในวันก่อนว่าวิชาและจรณนะที่อาตมาบอกว่าวิชาสามท่านปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ เรื่องรณะแปลว่าความประพฤติ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติมาแล้วต้องปฏิบัติตามจารณะสิบห้านี่ความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นกฎประจําที่จะต้องปฏิบัติตามถ้ามิฉะนั้นแล้วจะชื่อว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้เราจะต้องถือว่าเราไม่ใช่พุทธสาวก ถ้าเราวมาเยียสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของใครล่ะฝ่าฝืนไปทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราก็เป็นสาวกของปฏิวทัตินี่พวกเราอย่าทาตามนั้นเวลานี้เรากราบกรานเมื่อกี้นี่เราไหวองค์สมเด็จพระสงร์สวัสดีโสภาเราบูชาท่านแล้วการคำว่าบูชาก็แปลว่ายอมรับนับถือ <c oughs> ไม่ยอมรับนับถือแล้วเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติแบบไหนเอาแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเรียกว่าเจดณะมีสิบห้าอย่างนี่ความจริงเป็นประการปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นข้อปฏิบัติสูงสุดเที่ยวกล่าวว่าปฏิบัติสูงสุดแตยังไม่ถึง <c oughs> นี่เป็นขั้นโลกีเท่านั้นเมื่อจบตอนนี้แล้วก็เข้าโลกระ ถ้าเราปฏิบัติตามจรณะสิบห้าได้ครบถ้วนเราก็จะเป็นอราหาัรได้ภายในเจ็ดวันไม่อย่างช้าไป น, นิดก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าช้าดีสุดก็ภายในเจ็ปีไม่ได้หมายว่าครบพอ <c oughs> ปฏิบัติจรณะสิบห้ามีอย่างไรคื็นหนึ่งศีลและสมถะสิ่งพร้อมดิศีน นี่มันดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องระวังศีลให้มากพระ ก, ก็ดีเนงก็ดีอุบายสุขุมบาลสิกายก็ดีศีลของพระที่เรียกกันว่าวินยัยจงอย่าให้บกพร่องเรือวินัยนี่จะกล่าวในวันต่อไปตามปกติสิบห้าวันท่านประกาศลงอุโบสถรั้งหนึ่งเพื่อซักซ้อมพระวินยัยในเวลานี้ทั้งพระสวดทั้งพระฟัง รู้เรื่องบ้างหรือเปล่ามันทีสวปดปฏิโมกกันแต่ว่าสร้างความผิดอยู่ตลอดเวลาก็เพราะฟังไม่รู้เรื่องเรามาสวดกันทุกๆเกือบทุกวันดีกว่าวนกันไว้พว น, นกันมาแบบนี้ไม่ต้องถือสิบห้าวันตอนเย็นหลังจากทำวันแล้วล้วก็มาสวดกันสี่สิบห้านาทีไอ้ความจริงสวดจริงๆไอส้สวด น, นี่ก็คือพูดให้กันฟัง <c oughs> ประมาณสามสิบนาทีเสร็จเสรจไถึงสี่สิบนาทีได้ย่างมากก็40สี่สิบนาทีเพราะเป็นเวลาแลการเตรือนแล้วก็ไหว้พระึ่งประมาณสี่หรือห้านาทีเท่านั้นอีสิบจีสี่สิบนาทีบางทีก็เป็นอารัมพมบที่ บ, บ้างวันนี้ก็เหลือสามสิบนาทีที่เราจะพูดในจารณะ <c oughs> เออข้อที่หนึ่งสินะสมมติา จงรักษาศีลให้สมควรให้ปกติน่าสาสินในชีวิตเรื่องเราร้อนที่มีอยู่ในสถานที่ของเราวงการภายในก็เป็นปเพราะพวกเราไม่เคารพในศีลพระก็คือสีขามสองร้อยี่สิบเจ็ดยังไม่พอนะยังมีนอกจากนั่นอีกแต่อสองร้อยี่สิบเจดนี้ต้องปฏิบัติให้ครบ คราวาสสินห้าหรือสินแปดปฏิบัติให้ครบเซมันเนนสินสิบระสิกขาบทเสกขีวัตอีเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดิบ้าปฏิบัติให้ครบแล้วยามาบอกกันว่าไม่รู้ไอ้ดีปากไม่ดีคอยเสี่ยงคอยสอนกันบ้างยุแยงแต่แท่งแสะกันบ้างหาเรื่องหาราวกันบ้างนี่เพราะการไม่เคารพในสินมีไหมพวกเรานี่มีหรือเปล่า ยังพอมีอยู่กระมังถ้ามีแล้วก็ถอยหลังออกไปสียนะเลิกเสียถ้าไม่เลิกก็ถอยออกไปจากเขตเสียพที่นี้ไม่ต้องการคนผุ้ศีลเรื่อต้องการอย่างเดียวคุณครูคนปฏิบัติอยู่ในสิงคโปร์โทษเท่านั้นมีข้อดีสองอินทรีสังวรขอโทษสีล น, นี้ท่านบอกว่าใจเข้าถึงศีลแล้ว กายกวาจาก็เรียบร้อยกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมปากก็พูดแต่เรื่องดีๆไม่ไพูดเรื่องชั่วเรื่องชั่วๆนี่เขาแค่วาดระวังระวังให้มากบางทีเขามาใหม่ๆแล้วก็แย่นุ่นแย่นี่เอาจริยาเดิมเข้ามาใช้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ไหวคนออกไปสิไปนอกเขต เขตนี้เป็นเขตสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกลเรเขตไม่ใช่สาวกของพอระเทวทัตอย่ามันนั่งยุแยงแต่แข่งแสะมามองหาความผิดผุ้คล น, น, น้นมองหาความผิดผุ้คล น, นี้ทุกคนทําตัวของเราให้ดีรักษาศีลให้ครบถ้วนไม่มันไม่มีเรื่องร้ายไม่มีเรื่องร้อนใจ แล้วว่าใครก็ถูกว่าถูกกล่าวถูกลงโทษอะไรก็ดูเสียก่อนว่าบุคคลพูดนั้นน่ะเขาบกพร่องในศีลไหมหรือเปล่าหรือบกพร่องในธรรมะบุญห ร, รือเปล่าถ้าเขาบกพร่องเราก็อย่าเข้าไปเป็นพวกเป็นพองคนจะแนะนําว่าการถูกลงโทษนั่นเป็นการสมควรแล้วเ <c oughs> นี่ยท่านผู้มีศีลทั้งหมดก็จงอย่าแนะนําบุคคลอื่นให้ทําลายศีลทําลายทําความชั่ว ถ้าระนนำแนะนำแบบนั้นก็สนแสดงว่าตัวเรานี่มันเลยเกินพอดีไปแล้วมันเร็วเร็วเกินพอดีใช้ไม่ได้กลับตัวเสยใหม่แต่กลับตัวกลับใจไม่ไหวก็หลีก็อไปสักนอกเขตท้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> คือแค่ที่เราอยู่นี่ชาวบ้านเขาสร้างให้หวังจะต้องการความดีเอาคนดีเข้ามาอยู่เวลาเขาก็มาในสถานที่เขาต้องการความดีเขาไม่ต้องการความเร็วเขาต้องการธรรมวินัยวินัยก็คือศีลธรรมะคือคําสอนให้คนทุกข์อย่าไปเสียมสอนอยา่าก่อความทุกข์ให้มันเกิดขึ้นเขาจะนึกว่าอ่อนนี่หรือสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขณะที่เรียกว่าสุนัข ก, ก็ทําไม่ได้ ถ้าว่าสุนัขทำไม่ได้ก็หมายความว่าสุนัขมันไม่หนินทาใครมันไม่ว่าใคร <c oughs> มันมีความกระตันยูรู้คุณเจ้าของพูนเลี้ยงเราก็เหมือนกันถ้าเราทําความชั่วแสดงว่าเร า, ากระตันยูไม่รู้คุณของพระผู้ใหญ่เจ้าไม่รู้คุณของบุคคลผู้สร้างสถานที่ให้ให้ความสะดวกสบายแม้แต่ให้อาหาร <c oughs> แล้วข้อนี้คุณจะต้องระมัดระวังตัวให้มากทั้งพระทั้งเนนทั้งคารวาัตุบุบาสุบุบาสิกาโดยมากฟังฟังอยู่แล้วนะต้องระมัดระวังรู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครเคยนั่งจับผิดใครกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้แต่เลิกกันเึียกันแล้วกันถ้าไม่เลิกวันหน้าโอกาสหน้ามีอยู่จะต้องไปชมพร้อมกัน ชี้แจงโทษแล้วว่าขับออกจากสถานที่คด <c oughs> ีสององค์สมเด็จพระจินทรีให้ปฏิบัติในอินทรีสังวรอินทรียนี่ก็เรียกว่าปากหูจมูกกายลิ้งกายใจตาหูจมูกลิงกายใจตาหูจมูกลิ้งกายใจ ตาหูจมูกลิ้งกายใจสัมรวมในตาคือระมัดระวังตายาวตาไปมองหาโทษหาความชั่วหูอย่าฟังความชั่วเอาอย่างนี้ดีกว่าสัมรวมใจมันตัวเดียวดีกว่า <c oughs> เอาใจตัวเดียวคือใจไม่สแสวงหาความชั่วแค่ตัวเดียวตาและหูจมูกลิ้งกายมันก็ไม่ทําอะไรหมดเออความดีและความชั่วมันอยู่ที่ใจ รักษาใจตัวเดียวพอนะถ้าใจมันสั่งให้ตาดูตามันก็ดูใจมันสั่งให้หูฟังหูมันก็ฟังนี้ตาดูเห็นความชั่วหูได้ยินความชั่วจงอย่าเอานํานํามาประพฤติธปฏิบัติถ้าแยกปล่อยให้ตามันชั่วอย่าปล่อยให้หูมันชั่วถ้าระวังใจเสร็จแล้วหูกับตามันก็ไม่ชั่วไปตามนั้น เพราะใจมันไม่ชั่วแค่อย่างเดียวหูวตามันก็ไม่ไม่หูทั้งหูทั้งตาจะโหมกลิ้นไม่มีอะไรชัว่วเือาตาอย่าสนใจในรูปสวยเสียงเพราะในรูปสวยหูอย่าสนใจในเสียงเพราะจมกูกอย่าสนใจในกลิ่นหอมลิ้นอย่าสนใจในรสอร่อยกายยาสนใจในการสัมผัสในเนื้อในกามารมณ์ <c oughs> และก็สำรวมมัน ญ, ญาติให้สมควรกับสรณะที่ในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าอย่าปล่อยเสียงอือเฉาอย่าปล่อยวาจายาบจะสแสดงกริยาท่าทางที่ไม่สมควรอาการอ่อนน้อมเป็นความดีของบุคคลผู้ปฏิบัติและก็เป็นการอาการเชี่นใจของบุคคลผู้เห็นอริสามโพญเนมตัตตัญญตา รู้จักการกินอาหารแต่พอสมควรกินแต่พอดีอย่าตะกละตะกลามมุมมามเกินไปกินอย่างพูดดีกินอย่างพระพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐพระก็ดีเน่งก็ดีฆราว่าก็ดีที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและวินยัยพระธรรมและวินัยก็ชืี้ว่าพระทั้นทนทงนั้นกินเหมือนกัน กินอย่างสุภาพกินเรียบร้อยอย่าเลือกกับข้าวอาหารที่กินกันไป่าถือรสอร่อยที่เราสํารวมในลิ้นเวลาที่กินอาหารสํารวมในาการกายคืออย่ามุมมามเกินไปให้สุภาพสุภาพกินพอสมควรกินดูหน้าดูหลังมีเมตตาคนข้างหลังบ้างถ้าเรากินก่อน <c oughs> ก็เรียกว่าอย่าแย่งกันกินแบบสุนะักไม่เป็นการสมควร ถ้าแย่งยกันกินกินไม่ลวมัติะวังไม่ห่วงใครนั่นไม่ใช่วิสัยของมนุษย์เป็นวิสัยของเดรัจฉานไม่สมควรเดรัจ า, านปริบัติอย่าทำเตรัฉานนคาถาพูดไม่ดีอย่าทำ